ประไตรปิดกเล่มที่สิบห้าวนะสังยุตประมวลธรรมกถาเรื่องเกี่ยวกับภิกษุผู้อยู่ในปา่าวิเวกสูตรว่าด้วยความสงัดสมัยหนึ่งภิกษุรูปหนึ่งอยู่หน้าราวป่าแห่งหนึ่งแคว้นโกศลสมัยนั้นภิกษุนั้นพักผ่อนอยู่ในที่พักกลางวัน ตรึกถึงอากุสลและวิตกอันเลวทรามซึ่งอิงอาศัยการกรองเรือนครั้งนั้นเทวดาผู้สิงสถิตยอยู่ในราวป่านั้นมีความอนุเคราะห์วังดีต่อภิกษุนั้นประสงค์จะให้เธอสลดใจจึงเข้าไปหาภิกษุนั้นถึงที่อยู่แล้วกล่าวกับภิกษุนั้นด้วยคทถาว่าท่านต้องการความสงัดจึงเข้าป่า ส่วนใจของท่านกลับพล่านไปภายนอกท่านเป็นคนจงกำจัดความพอใจในคนแต่นั้นท่านปราศจากความกำหนัดแล้วจะมีความสุขท่านมีสติทำไมไม่ละความยินดีเล่าเราเตือนให้ท่านระลึกถึงธรรมะของสัตบุรุษเพราะทุลีคือกิเลสประดุษบาดาล ขามได้ยากความกำหนัดในกามอย่าได้ครอบงำท่านเลยนกที่เปื้อนฝุ่นย่อมสลัดละอองธุลีที่แปดเปื้อนให้ตกไปฉันใดภิกษุผู้มีความเพียรมีสติย่อมสลัดละอองธุลีคือกิเลส ท, ที่แปดเปื้อนให้ตกไปฉันนั้นลำดับนั้น เมื่อภิกษุนั้นได้ฟังคาถานี้จึงเกิดความสลดใจอุปทานาสูตรว่าด้วยเทวดาเตือนภิกษุผู้เข้าพักผ่อนในที่พักกลางวันสมัยหนึ่งภิกษุรูปหนึ่งอยู่หน้าราวป่าแห่งหนึ่งแคว้นโกศลสมัยนั้นภิกษุนั้น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 ท่านเราร้อนเพราะกิเลสถูกลูกสอนเสียบแทงดิ้นรนอยู่มัวหลับอยู่ทำไมท่านออกบวช ด, ด้วยศรัทธาใดจงเพิ่มภูณศรัานั้นเถิดอย่าตกไปสู่อำนาจแห่งความหลับเลยภิกษุนั้นกล่าวคาถาเหล่านี้ว่าคนเข่าหมกมุ่นอยู่ในกามมรมเหล่าใด กามารมเหล่านั้นไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนความหลับจะพึงแผดเผาบรรพชิตผู้ผลแล้วผู้ไม่เกี่ยวข้องในกามารมซึ่งจะยังสัตให้ติดอยู่ได้อย่างไรเพราะกาจัดชันธราคะได้และเพราะก้าวล่วงอวิชชาได้ย่านนั้นจึงบริสุทธิ์อย่างยิ่งความหลับจะแผดเผาบรรพชิตได้อย่างไร ความหลับจะพึงแผดเผาบรรผชิดผู้ไม่มีความเศร้าโศกไม่มีความคับแค้นใจเพราะทําลายอาวิชชาได้ด้วยวิชาเพราะสิ้นอาสวะแล้วได้อย่างไรความหลับจะพึงแผดเผาบรรผชิดผู้ปรารถนาความเพียรอุทิศกายและใจอยู่มีความเพียรมั่นคงเป็นนิจผู้หวังนิพพานอยู่ได้อย่างไร กัสปะโคตสูตรว่าด้วยพระกัสปะโคดสมัยหนึ่งท่านพระกัสปะโคดอยู่หน้าราบป่าแห่งหนึ่งแขวนโกศลสมัยนั้นท่านพักผ่อนอยู่ในที่พักกลางวันได้กล่าวสอนในปลาเนื้อคนหนึ่งครั้งนั้นเทวดาผู้สิงสถิตอยู่ในราวป่านั้น มีความอนุเคราะห์หวังดีต่อท่านพระกัสปะโคตประสงค์จะให้ท่านสลดใจจึงเข้าไปหาแล้วได้กล่าวด้วยคาถานี้ว่าภิกษุผู้กล่าวสอนในพรานเนื้อซึ่งเที่ยวไปตามซอกภูเขาผู้มีปัญญาน้อยไม่รู้เหตุผลในเวลาไม่ควรยอมปรากฏแกเราประดุดคนเขาเขาเป็นคนโง่ ถึงฟังธรรมะอยู่ก็ไม่เข้าใจเนื้อความนั้นถึงมีประทีพสว่างอยู่ก็ไม่เห็นเมื่อท่านกล่าวธรรมะอยู่ย่อมไม่รู้เนื้อความข้าแต่ท่านกัสปะถึงแม้ท่านถือประทีพอันสว่างตั้งสิบดวงเขาก็จักไม่เห็นรูปเพราะเขาไม่มีจักษุ สัมผัหูละสูตรว่าด้วยภิกษุหลายรูปสมัยหนึ่งภิกษุหลายรูปอยู่ในาราวป่าแห่งหนึ่งแคว้นโกศลครั้งนั้นภิกษุเหล่านั้นอยู่จำพรรษาทั่วไตรมาสแล้วก็หลีกไปสู่ที่จาริกครั้งนั้นเทวดาผู้สิงสถิตอยู่ในราวป่านั้น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 ได้กล่าวกับเทวดานั้นด้วยคถานี้ว่าภิกษุทั้งหลายไม่ติดในที่อยู่เที่ยวไปเป็นหมู่เหมือนปูงวานอนไปสู่แคว้นมคตและแคว้นโกศลบางพวกก็ไปสู่แคว้ น, คว น, ววนวัชีอานันทสูตรว่าด้วยพระอานนท สมัยหนึ่งท่านพระอานนท์อยู่ณราวป่าแห่งหนึ่งแคว้นโกศลสมัยนั้นท่านพระอานนท์อยู่รับแขกไปเคารพหัดมากเกินเวลาครั้งนั้นเทวดาผู้สิงสถิตยอยู่ในราวป่านั้นมีความอนุเคราะห์วังดีต่อท่านพระอานนท์ประสงค์จะให้ท่านสลดใจจึงเข้าไปหาท่านถึงที่อยู่แล้วกล่าวคาถานี้ว่าท่านพระานนท์โกตมะโค ท่านจงเข้าไปยังสมทุมพุ่มไม้กำหนดนิพพานไว้ในใจเพ่งฌานไปเถิดและอย่าประมาทเสียงวิภาควิจารของคนจะช่วยอะไรท่านได้อนุรุท ธ, ธสูตรว่าด้วยพระอนุรุทธะสมัยหนึ่งท่านพระอนุรุทธะ อยู่นราป่าแห่งหนึ่งแคว้นโกศลครั้งนั้นเทวดาชั้นดาวดึงองค์หนึ่งชื่อชาลินีเคยเป็นพรรยาเก่าของท่านพระอนุรุท ธ, ธะเข้าไปหาแล้วกล่าวด้วยคถานี่ว่าท่านจงตั้งจิตของท่านไว้ในหมู่เทพชั้นดาวดึงซึ่งพร่งพร้อมด้วยอารมณ์อันหน้าใกล้ทั้งปวงที่ท่านเคยอยู่มาในการก่อนท่านผู้อันหมู่เทพ ยกย่องแวดล้อมเป็นบริวารจะงดงามท่านพระอนุรุทธากล่าวคถานี้ว่าเหล่านางเทพกัญญาผู้มีกติอันเลวดํารงมั่นอยู่ในสักกายาทิฏฐิสัตว์ทั้งหลายผู้มีคติอันเลวแม้เหล่านั้นก็ยังมีนางเทพกัญญาปราถนาเทวดานั้นกล่าวด้วยคถานี้ว่า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 จึงได้เข้าไปหาแล้วกล่าวด้วยคถานี้ว่าท่านพระนาคทัตตะท่านเข้าไปยังหมู่บ้านตอนเช้าและกลับมาตอนกลางวันท่านเที่ยวไปเกินเวลาคลุกคลีกับเข้ารือหัดปล่อยร่วมสุขร่วมทุกข์กับพวกเขาเรากลัวว่าท่านพระนาคทัตต์จะขนองสุดฤทธิ์จะผัวพันในตระกูลทั้งหลาย ท่านอยาตกไปสู่อำนาจของมัจจุราชผู้มีกำลังผู้กระทำชีวิตให้สิ้นสุดเลยกุละข้ารณีสูตรว่าด้วยหญิงแม่เรือนในตระกูลสมัยหนึ่งภิกษุรูปหนึ่งอยู่ณร า, าป่าแห่งหนึ่งแขวนโกศลสมัยนั้น ภิกษุนั้นไปอยู่คลุกคลีในตระกูลแห่งหนึ่งเกินเวลาครั้งนั้นเทวดาผู้สิงสถิอยู่ในราวป่านั้นมีความอนุเคราะห์หวังดีต่อภิกษุนั้นจึงเข้าไปหาแล้วกล่าวด้วยคาถานี้ว่าชนทั้งหลายต่างประชุมสนทนากันที่ใกล้ฝั่งแม่น้ําในศาลาที่พักในสภาและข้างๆถนนพวกเขา ต่างพูดถึงดีชันและท่านอย่างไรหนอภิกษุนั้นกล่าวคถานี้ว่าแท้จริงเสียงที่เป็นฆาสึกมีมากท่านผู้มีตบะต้องอดทนไม่ต้องเก้อเขินด้วยเหตุนั้นเพราะว่าสัตว์หาได้เศร้าหมองด้วยเหตุนั้นไม่แต่ผู้ใดมักสะดุ้งเพราะเสียงประดุดเนื้อสายในปา่า นักปราดเรียกผู้นั้นว่ามีใจเบาวัดของเขาย่อมไม่สมบูรณ์วัชีบุตตสูตรว่าด้วยภิกษุวัชีบุตรสมัยหนึ่งภิกษุวัชีบุตรรูปหนึ่งอยู่หน้าราปลาแห่งหนึ่งเขตกรุงเวสาลี สมัยนั้นในกรุงเวสาลีได้มีการละเล่นมหระพตลอดทั้งคืนครั้งนั้นภิกษุนั้นได้ฟังเสียงดนตรีที่บุคคลบรรเลงกล้องกังวานอยู่ในกรุงเวสาลีกร้ามกรวนอยู่ได้กล่าวคาถานี้ในเวลานั้นว่าเราอยู่ในป่าคนเดียวดุดท่อนไม้ที่เขาทิ้งไว้ในป่าฉนั้นใครหนาะ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 เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นอันมากยังรักท่านอยู่ดุจสัตว์นรกยินดีต่อผู้ที่จะไปสวรรค์เะนั้นสัจชายสูตรว่าด้วยภิกษุผู้สาธยายธรรมสมัยหนึ่งภิกษุรูปหนึ่งอยู่หน้าราวป่าแห่งหนึ่งแขวนโกศ สมัยนั้นภิกษุนั้นเมื่อก่อนสาธยายมากจนเกินเวลาสมัยต่อมาท่านขวนขวายน้อยอยู่เฉยเฉยปล่อยให้เวลาล่วงเลยไปครั้งนั้นเทวดาผู้สิงสถิตยอยู่ในราบานั้นไม่ได้ฟังธรรมของภิกษุนั้นจึงเข้าไปหาแล้วกล่าวด้วยคถานี้ว่าภิกษุเพราะเหตุไร ท่านเมื่ออยู่ร่วมกับภิกษุทั้งหลายจึงไม่สะทยายบทแห่งธรรมเพราะบุคคลฟังธรรมแล้วย่อมเลื่อมใสและสรนเสริญในปัจจุบันภิกษุนั้นได้กล่าวคถานี้ว่าความพอใจในบทแห่งธรรมทั้งหลายได้มีแล้วในการก่อนจนถึงเวลาที่เรามาอยู่ร่วมกับบุคคลผู้ปราศจากราคะ และเพราะตั้งแต่เรามาอยู่ร่วมกับบุคคลผู้ปราศจากราคะสัตว์บุรุษทั้งหลายรู้ทั่วถึงรูปเสียงกลิ่นรสและผลทพะอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วจึงได้กล่าวถึงการปล่อยวางอารมณ์นั้นนั้นอโยนิโสมนัสิการะสูตรว่าด้วยการมณสิการโดยไม่แยกใคร สมัยหนึ่งภิกษุรูปหนึ่งอยู่ณราป่าแห่งหนึ่งแคว้นโกศลสมัยนั้นท่านพักผ่อนอยู่ในที่พักลังวันตรึกถึงอกุศลลวิตกอันเลวทรามคือกามวิตกพยาบาทวิตกและวิหิงสาวิตกครั้งนั้นเทวดาผู้สิงสถิตยอยู่ในราป่านั้นมีความอนุเคราะห์หวังดีต่อภิกษุนั้น ประสงค์จะให้ภิกษุนั้นสลดใจจึงเข้าไปหาแล้วกล่าวด้วยคถานี้ว่าท่านถูกวิตกเกาะกินเพราะมณสิการโดยไม่แยกขายท่านจงละการมณสิการโดยไม่แยกไขยและจงใคร่ครวนโดยแยกขายเถิดท่านปรารบพระศาสดาพระธรรมประสงค์และศีลของตนแล้ว จะบรรลุความปราโมทปีติและความสุขโดยไม่ต้องสงสัยแต่นั้นท่านมากไปด้วยความปราโมทจะกระทําที่สุดแห่งทุกได้มัชชันฮิกะสูตรว่าด้วยเวลาเที่ยงวันสมัยหนึ่งภิกษุรูปหนึ่งอยู่ณร า, าป่าแห่งหนึ่งแขวนโกศ ครั้งนั้นเทวาดาผู้สิงสถิตอยู่ในราวป่านั้นเข้าไปหาภิกษุนั้นและกล่าวคาถานี้ว่าเมื่อฝูงนกพากันพักร้อนอยู่ในเวลาเที่ยงวันป่าใหญ่ส่งเสียงประหนึ่งว่าครวญครางอยู่เสียงครวญครางแห่งป่าใหญ่นั้นปรากฏเป็นสิ่งที่น่ากลัวแก่ข้าพเจ้าภิกษุนั้นกล่าวคาถานี้นว่า เมื่อฝูงนกพากันพักร้อนอยู่ในเวลาเที่ยงวันป่าใหญ่ส่งเสียงประหนึ่งว่าครุนครางอยู่เสียงครุนครางแห่งป่าใหญ่นั้นปรากฏเป็นสิ่งที่น่ายินดีแก่เราปากะตินไทยริยสูตรว่าด้วยภิกษุผู้ไม่สำรวมอินทรีย์สมัยหนึ่ง ภิกษุจํานวนมากอยู่ในราวป่าแห่งหนึ่งแขวนโกศลเป็นผู้ฟุ้งซ่านถือตัวโลเลปากกล้าพูดจาพร่ำเพื่อหลงลืมสติไม่มีสัมปชัญญะมีจิตไม่ตั้งมั่นมีจิตกวัดแกวงไม่สํารวมอินทรีย์ครั้งนั้นเทวดาผู้สิงสถิตอยู่ในราวป่านั้นมีความอนุเคราะห์หวังดีต่อภิกษุเหล่านั้น ประสงค์จะให้ภิกษุเหล่านั้นสลดใจจึงเข้าไปหาแล้วกล่าวด้วยคถานี้ว่าในการก่อนพวกภิกษุสาวกของรัโคดมเป็นอยู่เรียบง่ายไม่มักมากการสแสวงหาบินทบาทไม่มักมากสแสวงหาที่นอนที่นั่งท่านรู้ว่าสิ่งทั้งปวงในโลกเป็นของไม่เที่ยงจึงกระทำที่สุดแห่งทุกข์ได้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 ส่วนท่านเหล่าใดไม่ประมาทข้าพระเจ้าข อ, อนอบน้อมท่านเหล่านั้นปัทุมะปุพาสูตรว่าด้วยดอกบัวสมัยหนึ่งภิกษุรูปหนึ่งอยู่หน้าราวป่าแห่งหนึ่งแคว้นโกสนสมัยนั้นภิกษุนั้นกลับจากบินทบาทภายหลังฉันพัตหารเสร็จแล้ว ลงสูตรสะบกกรณีสูตรดมกลิ่นดอกบัวครั้งนั้นเทวดาผู้สิงสถิตยอยู่ในราวป่านั้นมีความอนุเคราะห์วางดีต่อภิกษุนั้นประสงค์จะให้ภิกษุนั้นสลดใจจึงเข้าไปหาแล้วกล่าวด้วยคาถานิว่าท่านสูตรดมกลิ่นดอกบัวที่เกิดในน้ำซึ่งไกลๆไม่ได้ถวายแล้ว นี่เป็นองค์อันหนึ่งแห่งความเป็นขโมยท่านภูนิรทุก์ท่านเป็นผู้ขโมยกลิน่นภิกษุนั้นได้กล่าวด้วยคถ า, าว่าเราไม่ได้นำไปเราไม่ได้หักเราเพียงแต่ดมกลิ่นดอกบัวที่เกิดในน้ำห่างเมื่อเป็นเช่นนี้ท่านจะเรียกเราว่าเป็นผู้ขโมยกลิน่นด้วยเหตุอะไรเล่า ส่วนบุคคลที่ขุดเง่าบัวหักดอกบัวปุนทริกเป็นผู้มีการงานอันไม่บริสุทธิ์อย่างนี้ทำไมท่านจึงไม่เรียกเขาว่าเป็นขโมยเล่าเทวดากล่าวด้วยคถ า, าว่าบุรุษผู้มีบาปหนาแปดเปื้อนด้วยกิเลสมีราคะเป็นต้นเกินเหตุเราไม่พูดถึงคนนั้นแต่เราควรจะกล่าวกับท่าน บ่าประมาณเท่าปลายขนเนื้อทรายย่อมปรากฏประดุดเท่าก้อนเมฆในนภาอากาศแก่บูรุษผู้ไม่มีกิเลสเพียงดังเนินผู้มักสแสวงหาความสะอาดเป็นนิดความสะอาดในที่นี้หมายถึงศีลสมาธิและปัญญาอันสะอาดภิกษุนั้นกล่าวด้วยคถาว่ายักษ์ท่านต้องรู้จักเราแน่ และท่านคงอนุเคราะห์เราอยากท่านเห็นกรรมเช่นนี้ในการใดขอท่านพึงกล่าวในการนั้นอีกเถิดเทวดากล่าวด้วยคถาว่าเราไม่ได้อาศัยท่านเป็นอยู่เลยและเราก็ไม่ได้มีความเจริญเพราะท่านภิกษุท่านนั่นแหละพึงไปสู่สุคติด้วยกรรมที่ท่านพึงรู้เถิด วัณสังยุดจบบริบูรณ์